ที่อารมณ์เก่าแก่ดั้งเดิมของเรามันเข้ามามากอารมณ์ของใหม่มันก็มามากเนกันสถานการณและสิ่งแวดล้อมมันทำให้จิตของเรารู้สึกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางทีเราไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลง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 เมื่อเราฝึกฝนทําให้มากทาให้ทำนานานจิตของเราเป็นสมาธิบ่อยๆเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิบ่อยๆจิตของเราจะสะสมกำลังเอาไว้เองกำลังอนั้เมันจะก่อยเข้มข้ขึ้นทุกทีทุกที สิ่งที่ยาญโพนสังเกตได้ว่าเรามีกำลังก็คือความมีสติดีขึ้นมีสติดีขึ้นสมาธิของเราดีขึ้นต่อไปเราอาจจะกำหนดจิตให้เป็นสมาธิเมื่อใดเวลาใดขอนใด ตอนหลับตอนต้นนมๆนี่มันก็มีวันได้ไม่ได้วันก็ดวกไม่สะดวกไปอย่างนี้ก่อนเมื่อเราทํามากๆเข่าติดต้องเรากล่องเข่าดีบางครั้งเราเพื่อตั้งใจจะให้จิตสงบมันก็จะสงบเองเมื่อจิตมันมีความรู้เกิดขึ้นเองแล้ว เราไม่ต้องการให้มันเกิดความรู้มันก็จะเกิดขึ้นต้งองมันเอง น, น, นี้ปัญหาที่ว่าทำไมบางวันมันทำได้ดีบางวันทำไม่ได้ดีตอบลาเรายังขาดความชำนิชำนาญการทบของเรายังน้อยอยู่ ตอนนั้นการที่จะภาวนาให้ได้ผลดีอย่างจริงจังเนี่ยมันแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องอธิบายสู่คนฟังมากนอกมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทําจริงหรือไม่จริงเราเลดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจทําจริงแตทําให้มากๆ เราจะต้องทำสมาธิอยู่ตลอดทุกทุกิุกทุกทุกทุกนุกทุกงุอทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทก็คือการทุกทิกทุกตุกทุกทุกทุกตุอทุกลุกทุกท เราไม่เป็นผ่าอะไรอีกไนะที่เราทำอยู่นี่ <c oughs> อันนี้่็เป็นวิธีการ กำหนดจิตบริกรรมภาวนาก็เป็นวิธีกา ร, รการกำหนดจิตพิจารณาอะไรเช่นพิจน า, น า, ารณาปกป้องวัฏจักรหนังให้จิตมีความรูร้เสนแ ง, ง่อัคุภะธรรมฐานคือไม่สวยไม่นา่าเบียดโสโยน ก, กร็ระต่างอันนี้เป็นวิธีการ ล, ลมหายใจเข้าหายใจออกพุดธลมเข้าโทลมออกอันนี้ก็เป็นวิธีการวิธีการเราทำเพื่อให้จิตมันสงบตอนงั้นเราต้องการจะทำจิตให้สงบต้องทำให้มากๆทำบ่อยๆทำด้วยความเชื่อมัน่นในสมรรถภาพของตัวเองเมื่อเราสามารถทำได้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 มลท่เขาสอนทหารอะไรที่ทหารทําได้ทาหารต้อง ท, ทอําได้ทุกอย่าง เ, าาาเงานรับปเบัติทต้องทําได้ทุกอย่างี่วันทหารทําได้ทุกอย่างนั่นคือส่วนหมายความว่าทําได้ตามระเบียบขีในของทหารและทําได้ทุกอย่างก็หมายความว่าทําได้ตามระเบียบทีในของกั สิ่งที่มันเกินเลยกว่าระเบียบของเราและเป็นสิ่งที่ผิดใม่ถูกต้องสิ่งนั้นเราทำไม่ได้แต่สิ่งที่ถูกต้องนี้เราทำได้ เรื่อยแล้วมันจะหายไปเองจิตกุ้งก้านก็คือความคิดมากจิตมันคิดมากเรียกว่าจิตกุ้งก้านเมื่อเราทําไปมากๆแล้วจิตมันถ้าไม่หายกุ้งก้านมันยังคิดมากอยู่ตามติดแต่เราจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะรู้เข้าทันความคิดของผัวเอง ตัวนั้นคือสติเมื่อเรามีสติดีสตินี้กาลังความปิติเราว่ามันพุ่งสร้างอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะสติของเรารู้ทันความพุ่งสร้างของจิต เมื่อเรายังไม่สามารถรู้เท่าทันความพุงซานของจิตอยู่ความปุ้งซาของจิตนั้นมันจะทำให้เราเกิดทุกข์เกิดเกิดร้อนเกิดความไม่สงบแต่เมื่อเรารู้เท่าทันแล้วความคิดมันก็ยังไปคิดอยู่ยิ่งมากกว่าที่เราคิดอยู่เดี๋ยวนี้อีก แต่เพราะอาศัยสติรู้เท่าทันความคิดนั้นมันจึงกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรายลึกของจิตเหตพว่าสติจะรู้เท่าทันอารมณ์ขอ ง, องลึกนั้นได้ใช่เมื่อมันรู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่เกิดทุกข้า่อการคิดขันนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการทำสมาธิจะต้งองรับความทุกข์ได้เอ่อ มันระนับได้แต่เพียงขั้นตบเชื่นเราเราปริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธพาจิตมันมากิตพุโทโธเราสงบลงไปนิ่งสว่างเราก็สมบนิ่งนิ่งนิ่งน่ง น, ง น, งนงลงไปเลื่อยจนเป็นอัปนาสมาธิอันนี้มันระนับความคุ้มซ่าได้และระนับความคิดจะตัดความคิดได้ เกศไม่คิดละเมื่อจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ทีนี้เจ็ศไม่คิดด้วยเมื่อจิตมีความสงบสด้วยเจศมีความสบายด้วยสึงเราเรียกว่าความสุขทีนี้เมื่อเราทําสมาธิดีแนละ้วจึก็ะตั้งว่าสมาธิเป็นฐานที่เกิดแห่งปัญญาตอนนี้ จิตของเราเมื่อสงบลงปัญญามันจะเกิดความคิดขึ้นมาแต่เมื่อมันความคิดนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นความคิดที่จิตของเรามีสติสัมปชัญญะดิมันจึงรู้เท่าทันความคิดอันนั้นความคิดอ น, นั้นจึงกลายเป็นปัญญาของจิต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 ยังแตนิ่งอยู่ไม่มีความคิดนี่ยังใช้การไม่ได้เมื่อเรามีสติ ด, ดีแล้วนี่จิตมันมีความคิดหรือมีอารมณ์อะไรเข้ามาในจิตต้องรู้รู้แล้วมันเฉยอยู่นั่นคือความสงบความัม่สมาธิอันนี้มันใช้ในการงานได้อย่างสบายแต่สมาธินี่มันจะเกิดขึ้นได้ ก, ก็อาศัยสมาธิที่เราฝึกอยู่เดี๋ยวนี้เนะี่ย เผื่อว่ามันจนทานี้ทํางานก็มันเป็นกันจริงๆแล้วมันจะอยู่ในความสงบเรื่อยไปมันก็งบอะไรล่ะสงบความดีสงบความินร้ายสงบความตื่นสงบความสะดุ้มต่ออารมณ์นั้นอีกแต่อารมณ์นี่เรารููเราเห็นมันผ่านเข้ามามาอยู่เลยหลาตาอยู่มันก็มีอารมณ์คือความคิดอย่างกว่าทำบาลป แต่มันก็ไม่ได้สื่ไม่ได้สะดุกไม่ได้หวันไหวต่ออารมณ์นั้นนี่ความสงบในขั้นนี้ในจัวเป็นความสงบที่ใช่การได้เป็นความ ส, งสนบกิเแต่ไม่สงบอารมณ์มันพูด ย, ย, ย, ยากหน่อยนะตอนนี้ในเมื่อถึงแล้วถึงคิดกันได้ ที่เราปฏิบัติอยู่างนี้ เ, เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เราสิ้นคิดปฏิบัติถ้ามันมีความคิดมากๆถ้ามันคิดมากจนเรามีสตสิสมัสมปชัญญะดีจนความคิดประทุสระลายจิตของเราไม่ได้จิตเป็นผู้คิดเองแต่ว่าความคิดอ น, นั้นไม่สามารถที่จะเป็นเหตุให้จิตประทุสระลายตัวเองได้ ความหมดกิเลสไม่เช่กความหมดหรือไม่ใด่ความหมดความคิดหรือความสิ้นคิดเพราะฉะนั้นท่านจชืว่าความที่จิตว่างไม่มีความคิดไม่มีความรู้ท่านจึงถือว่าเป็นวิปัสสุปจิตพอจิตว่างลราปลูกปฏิบักิ์นั้ตก็ว่างแล้วเราไม่มี เราไม่มีความคิดนี่ในเมื่อไม่มีความคิดมันก็ไม่มีจิตนี่มันหมดแล้วนี่สําเร็จที่ความแล้วนี่มันเข้าใจจิตเปอย่างนะั้นแต่เราปฏิบัติในความคิดเรามีอยู่ต่อมนเมื่อเราอยู่กับเพื่อนๆข่าวข้เสียเทียบเนี่ยตัวของเราเนี่ยเป็นเป็นค น, คนหนึ่งจะหากค่าไม่ทัางหลายเราของเราเนี่ยเรีย่ยวกับอารมณ์ เราอยู่ด้วยกันเพศสูงด้วยกันเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ในในลักษณะอย่างใดก็ตามเราก็รู้สึกว่าเฉยเยเฉยเยแม้จะเข้าในที่รับสองตัวสองเราก็รู้สึกเฉยเฉยเฉยเยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายด้วยกันแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งเป็นเพศหญิงคนหนึ่งเป็นเพศชายแล้วเข้าไปในที่รับหูรับตาแล้วมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือความผูกพันตรงน อย่างดีมันก็รับอย่างดมันก็เปนสองอย่างความรักความเี็นคือความครุงแต่งอความชอบไม่ชอบคือความคุงแตแต่ถ้ามันอยู่ปกติเชยๆมันรับรู้อู้มันไม่ได้ปรุงแต่สังเกตเอาง่ายๆอย่างนี้เนี่ยทีนี่ เรามาปฏิบัติ น, บบนี้เราต้องการอยากจะรู้ของจริงดิเรกเรารู้ของจริงโดยธรรมเพื่อให้จิตของเรามันยอมรับสภาพความเป็นจริงขอให้เรามาพิจารณาดูความจริงในข่านศียรห้าก้อนนี้ก่อน เราจะดูความจริงของศีลห้าข้อนี้อย่างไรเราสามารถที่สูจน์ปัญญาเช่นศีลห้าข้อนี้ข้อหนึ่งห้ามข่าข้อสองห้ามรักข้อสามห้าละเมิดสิทธิของกันและกันข้อสี่ห้ามกหกข้อห้าห้าดึงของหมาทีนี้เรามาพิสูจน์ ความจริงในสิ่งห้าอย่างนี้ที่สวดเอาเป็นอย่างง่ายๆอย่างขั้นหยาบๆคนเรามีอาวุธอยู่ในตัวนี่เพราะมือกอ็ใช้เป็นอาวุธได้สายตาก็ใช้เป็นอาวุธได้ปากก็ใช้เป็นอาวุธได้แห่งขาใช้เป็นอาวุธได้ผมมาจากมือเป็นอาวุธนี่ เราตรรมเมื่อเป็นอย่างเนี้พอทุกข์สีสันไปเขาก็พนหนึ่งคนที่ถูกทุกข์จะมีความรู้สึกอย่างไรทั้งๆที่อยู่ดีๆแล้วมาทุกต์ประกานต่างเดีพอถูกทุกข์ลงไปคนถูกทุกขตกก็ารรมหมัดขึ้นมาเมื่อทันทีทุกข์ตาบึกนี่คือความจริง เรามาพิสูจน์ความจริงกันนันนี้ทีนี้ในเมื่อเราเรารู้ว่าในเมื่อเราไปทุกข์เ ข, ขากรดเ ข, ขาโกรธแล้วเขามาทุกเราตอมันเป็นความจริงเพราะการทำอย่างนี้มันเป็นการต่อาำต่อเวทซึ่งกันและกันทําให้ฝ่ายที่ถูกทำร้ายต้องเกลียดแค้นแล้วเขาก็จะบาดตาขาย เราเป็นเช่นนั้นเขาต้องทาตอบทีนี้ในฐานะที่เราทำตอบต้องทําก่อนเมื่อเขาทาตอบเราแล้วเราก็ไม่ยอมตอบเขาแล้วจะโต่ตอบกัไปโต่ตอบกันมาโต้ต่อกันไปโต้ต่อบกันมาจนกว่ายต่างฝ่ายต่างจะอ่อนกาลังลงหรือแพ้ไปฝ่ายใดฝ่ายหึงจะยอมกันไปอีกแต่เมื่อยอมลงไปแล้วยอมเราก็่า กำลังเราสู้เขาไม่ได้แต่ในใจนี่มันไม่ยอมนี่คือควาจมจริงในขั้นต้นๆที่เราจะยอมรับอธินาทานไปหยิบของท่านที่ท่านโหล่เนเมื่อท่านรู้ว่าเราหยิบต้องโกรธไหมท่านเสียใจไหมสต่อย่างต้นตลอดเขามาหยิบต้องเรา เราก็ไม่พอใจเพราะเราโหวมของเราได้ดายของเรานี่คือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นเรากําหนดกับความรู้สิทธิของเราแม้ข้ออื่ก็เหมือนกันไหเมื่อเรารู้ความจริงดังที่กล่าวนั้นแล้วเราพยายามทำํำติดให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงทุกเสิ่งทุกอย่างทุกคนถือว่าเรามีสิทธิ์มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ ผู and and the children, the ้มีกายก็เป็นเจ้าของกายผู้มีทรัพย์เป็นเจ้าของทรัพย์ผู้มีลูกมีเมียเป็นเจ้าของลูกเจ้าของเมียในเมื่อเป็นเป็นนั้นต่างคนต่างมองเห็นเราลูบความจริงขึ้นมาทันทีว่าต่างคนต่างมองเห็นต่างคนต่างเสื่อใดต่างคนต่างรักคนใดคนหล่ออันนี้คือความจริงในเมื่อเราลูบความจริงอย่างนี้แล้วเราก็สอนตัวเองว่าเรารักสิ่งของของเราเราหวงสิ่งของต้องเรา เราหวังชีวิตร่างกายของเราเรารับชีวิตร่างกายของเราเราจรึงไม่ควรคอยเบียดเบียนคนอื่นนในมันก็ได้เหตุผลขึ้นมาตันทีถ้าเราคิดพระโบราณสอนกันให้สมาทานศีล ห, ห้าขอใครสมารทาแนแล้วได้บุญตารแม่ฆ่ากัดมีอานิสงสงโดยทําให้อายุอืน ทำให้มีโรคไข้ไข้เจ็บน้อยไม่รักไม่ขโมยมีอานิสงส์เกิดมาตา้งใจก็จกใจจะเป็นผู้มั่งมีสีสุขไ ม, ม่มีคนรักคนขโมยของเราอาเมตุมิสาจานตัดใบหลวงระเบิดลงไปลแล้วทําให้อายุน้อยทํำให้อาอยุสั้นทําให อย่างนั้นอย่างนี้ตับใจไม่ทำแล้วเกิดมาตาบไต จ, จะได้เป็นคนอุรมส้สมบูรณมีหลุกส่างผิวพรรณวันณะสดสวยงดตามป้ายกันตัวอย่างนั้นอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงเราก็ยังไม่รู้เราอ้อเหตุผลกันในปัจจุบันนี่ดีกว่าการศึกษาธรรมะอย่างพกท่านทั้งหลายกบนังเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับกลังที่จะเป็น ขั้นปัญญาชนขั้นยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วงที่เกลียดไม่เอาไหนนี่การเรียนสําเร็จนั้นที่ผ่านๆมาเราสมเร็จผ่านขั้นต่ำๆมาจนถึงขั้นนี้เพราะอะไรเพราะเรามีความหมั่นความขยันจริงไหมนี่คือความจริงที่เราจะต้องยอมรับทีนี้ในขั้นต่อไปเราจะาสําเร็จขั้นบนๆขึ้นไปเราจะต้องอาศัยอะไร อาศัยความหมั่นความขระยันจริงไหมจริงเราต้องยอมรับและไม่ยอมรับเรามันประยันก็จะสำเร็จในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์เราจะทำไม่ได้มนุษย์เรานี่เก่งกว่าใครทั้งหมดมนุษย์สร้างผู้ยิ่งใหญ่มนุษย์สร้างพระพุทธจามนุษย์สร้างพระสมมนุษย์สร้างพระอิน์มนุษย์สร้างเทวดา ถ้ามนุษย์กลาเนี่โสดมนภาวนาตามปิตให้มีสมาธิมีสติปัญญาเสวดาพระอินทร์พระสมมาไหว้ครับที่นี้มนุษย์ต่างเขาก็จะเจ้าด้อย่างไรผัดแย้งทิฏฐะก็เป็นมนุษย์แต่แต่ต่างกว่าเาราก็โดยชาติโดยตระกูลแต่สเสมอกนรรูยความมีกายมีใจเหมือนกับเรา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 มีความสงบเพิ่งเรียกว่าเอภัพตามีอุเบกขาความวางเฉยของจิตได้นุษย์ทางพันนี้จนตํนนี้ทำงานตายไปแล้วเกิดเป็นร่างสบนี่มนุษย์สร้างประสมขึ้นมาแล้วทีนี้มนุษย์ที่มีคุนธรรมก็มีอิริโตตะภา มีความละอายต่อบาปมีความตะ ด, ดุ่งกลัวต่อบาปไม่ทำบาปตั้งในสิักษณ์ในที่แห่เนะื้อมีคุณธรรมมันนี้แต่จำใจอยู่ตลอดกาลมนุษย์ท่านตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดามยนสร้างเทวดาทุกมาแล้ว นีนี้มนุษย์ใดอุปถามภิธ า, านาของสมเสดยงดูทีดามานาให้ดีมีความประรอบรนอ บ, น บ, นบผู้หลักผู้ใหญ่ในเจะาูนมีหินโตศรปะมีศีลมีตัดมนุษย์นั้นตายแล้วไปเกิดเป็นกระดิษฐ์อันนี้คือคุณรสักษณะของความเป็นกระิษเราในนั้นพระเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีผู้ยิ่งใหญ่ที่เขาว่า อยู่บนสวรรค์ใดๆพอดีลวดจะตสําเสร็จไปจากคนุษย์นี้ทั้งนั้นส่วนโลกก็แทนทีนที่เราอาศัยนี่ใครจะสร้างไม่สร้างเราไม่คานึงถึงทั้งนั้นเนี่ยมนุษย์นี่ใครจะสร้างหรือไม่สร้างเราไม่คํานึงถึงทั้งนั้นเนี่เราเอาเป็นว่าพ่อกับแม่เรากัแล้วกันสร้างเรามาที่ในโลกนี้มันจะสวนมันจะเจริญก็เพราะเราเนี่ยเราเป็นผู้สร้าง มันเจริญเพราะเราเป็นผู้สร้างกันมันจะตรวมเพราะเราเป็นผู้ทำลายป่าไม้มันจะรากพนาศูลลงไปเพราะเราแหละเป็นผู้ทำลายมันป่าไม้ฝูนแผ่นดินมันจะลบกวาไปด้วยป่าไม้เพราะเราเราเป็นผู้ปลูกผู้ฝังมันไปฝืนแผ่นดินอันนี้มันจะเก enfin ิดประโยชน์เพราะเราแหละเป็นผู้สร้างผู้ทำเพราะฉะนั้นมนุษย์เทยเป็นผู้ทําให้โลกเจริญมนุษย์เทศเป็นผู้ทําให้โลกเสื่อม เริ่มไปเราได้ยินได้ฟังมาตามตำรับตำนาตามคำทีอันนั้นฟังไว้เพื่อประดับความรู้แล้วก็ไปสู่ตามเรื่องเราวอันนั้นจนกว่าเราจะรู้พ่อเจติเพราะว่าเราเป็นเจ้าต่างมนุษย์พราเป็นเจ้าต่างโลกก็ให้เขาว่าไว้ที่แน่ๆที่สุดก็คือเรานั่นแหะเป็นผู้สั่งเราเป็นผู้สั่งโลกพระเจ้าเป็นผู้สั่งเรามนุษย์เ็ผู้พิเศษเป็นผู้สั่งเรา ทำไมถึงสร้างมาให้เราลำบากลำน้ำทำไมไม่ไม่สร้างมันุษขึ้นมาให้มีกล้ามเนื่อเป็นมัดมัดไม่ต้องกินไม่ต้องถ่ายแต่มันโดนได้กินใด้ทําอะไรได้ไม่ต้องกินไม่ต้องถายไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละแต่มันกินอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเหนีหมพระเป็นเจ้าเนี่ถึงแม้ว่าจะสร้างมนุษย์ได้แต่สร้างมนุษย์ไม่ดี สรางมนุษย์ให้มาจุกเกี่ยกุ้นไสร้างมาให้เปลียเปลี่ยนกันเก็นผ้ากันทําไมไม่สร้างจิตสร้างใจม น, นุษย์ให้มันรักกันรักถื้อกันเมตตากรุณาต่อกันทำดีต่อกั น, ต, กนตลอดไปในทางออกของก็เป็นเจ้าเป็นผู้บังคับมนุษย์เองเป็นผู้ผิดบาปเมื่อมรุษเป็นผู้ผิดบาปได้อยู่ก็ลาะมุษต่อเป็นผู้สร้างบาสร่างบุญเอาตัวเอง ต่างความเจริญความส่วนเอาตัวเองก็เป็นเจ้าเลยไม่มีนาจีสามมนุษย์ก็เป็นเจ้าเลยายเป็นเระเจ้เป็นเจ้าโตถูกครอบครัวเอากันไว้อย่างนี้ดีกว่าที่นี่ทางาศาสนาเทศน์เขากำลังดัดแปลงปฏิปักษ์เขาปุตติศ า, า, าสยโรติศาสลามาโลสมเด็จศาสลิวเคลสําเด็จขึ้นมา เขาไม่ได้มนุษย์ูสร้างน่ะถ้าไม่ได้ว่ามนุษย์สรุปที่สร้างจัรวาสร้างเรือเครือสร้างพลังงานโลกสร้างอะไรขึ้นมาแม้แต่นาฬิกาสร้อยคอทั้งๆที่เรามองเห็นมนุษย์ติดจับทำได้คือคนตกเองแค่แค่แค่สี่อย่างนี้แต่เราเขียนคำพินีจกว่าถ้าเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างถ้าเป็ devo, ых, uh, <ficou> นผู้ถ้าเป็จ้าเป็นผู้สร้างผ่าอะไรมนุษย์เป็นผู้สร้างเองใช่ไหม หมู่บ้านเนี่ยเขาทดีหมอสอนศาสนาล้วมาพ่อผสมอยู่ฟรีพวกมึกคุณม่แอบไปฟังเลยในเด็สมบัติโต้บันไดโต้ก็มาเอาสองคนขาวอุบายสิยัยหมอทรร ม, มาธิเออถ้าหากว่าคนทำแบบนี้จะดีนะ คมกำลังนั่งหลักตาบริกรมรมภาวนาเรียกเือพระบรมเจ้าทอ้งคนเนี่ยให้จิตทังคนสงบสว่างลงเป็นสมาธิครัว่าคนจะเป็นกำลังของาศาสนาพิเศษดีที่สุดเขาว่าไงเขาบอกว่ า, าศาสนาพิเศษไม่นิยน ม, ยมการทำสมาธิเอา้าถ้าอย่างนั้นคุณศึกษาศาสาศนาพิเศษไม่จบคุณเคยอ่านประวัติของเหล่าจักรูินไหม แต่จะูตินเป็นคนนับถือศาสนาคริท่านสมาธิเก่งยังไม่ทังไปสะกดจิตพระเจ้าชาหพระเจ้าชาของประเทศรัสเซีเยแล้วจะเป็นผัวน้อยของลายที่นีลัเสเซียนชาวรัเสเซียมันเกียรช่หนามันล้มล้างหลักสบันลังเปลี่ยนแปกกลแล้วทีนี่ <c oughs> อะไรล่ะผู้นาของกําลังเส ท, ท่านหนึ่งนั่น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 คนปรับย่างปรับไปศึกษาศาสนาของคุณใหม่กระพร้อมในศาสนาที่คนหรือศาสนาเทศน์ก็ทําสมาธิกันเท่านั้นแหละเพราะคนไม่ทําสมาธิคนพูดอะไรท่านคุณชี้ใส่แต่คำพีของคุณที่คุณบอกมาศาสนาของครุงอยู่ในคำพีที่คุณบอกมานี่แต่ในใจท่องคุณไม่มีศาสนาคุณยังไม่สัมผัส คุณทําในศาสนาของคุมเลยว่าธรรมะของพระเป็นเจ้าสำคับกับผู้ควบคุมนั่นมันเป็นอย่างไรถูกคํำสองคำคุณก็อ้างประวัติศาสต์คำสองคำคุณก็อ้างาตาราตําราของเราก็มีที่อ้างมากกว่าตําราของคุณแต่อีกทของเรามีสี่สิบห้าเล่มเป็นภาษาบาลีและออกมาอย่างพิสดารมีอยู่แปดสิบเล่มของคุณนี่มีเพียงเล่มเดียวหนึ่เล่ม แต่เราไม่เคยอ่าเราศึกษาศาสนาพวกเรายอมรับเฉพาะสิ่งที่มันสัมผัสกับจิตของเราแล้วเรารู้จริงเห็นจริงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาบถ้ามันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคำอย่างนี้เมื่อจิสตสงบลงไปแล้วมันมีความสุขในจิตเราทาได้แล้วเราก็รู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นความจริง เมื่อเราทำสมาธิดีนล้วสติปัญญามันเกิดขึ้นจะพนน้ำพุกงขึ้นมาคุ้คุ้บุ่งขึ้ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มานี่เราก็ผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราว่าจากนั้นบางครั้งเราทำได้แล้วเรายอมรับว่ากาสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นความจริงอะไรที่เราองสารว่าอยานะอย่านะแต่คนทำลงไปแล้วมันเป็นเทิ่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 รู้มาคนละแง่รู้มาคนละมุมทางตำราแต่ความรู้จริงภายในจิตไม่มีเสียงกันไปเสียงกันมาตดทลเลาะกันนักอภิธรรมของเราที่เก่งๆในพนระนครนี่เรมีสํานักตั้งอยู่ที่วัดปู่ก็แต่พอกันแ บ, บน่งกันเป็นสามกลุ่มเดี๋ยวนี้เลยตั้งอยู่ที่วัดโตตะปุ่มหนึ่งอาจารย์แมพมหานีรานนท์ก็พาหมูยกขยงองมาตั้งสำนักที่วัดวรวาทอีก อีกพวกันก็จย้องกลับไปถึงวัธถังโทติตาลามัมสึ่งเป็นแหล่งเกิดของอภิธรรมนี่ก็อะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นรู้แต่เพียงตำลาแต่ไม่รู้จริงภายในจิตใจถ้าพูดถึงว่าหลักวิชาการนี่คนไทยเรานี่เก่งเกงมากทีเดียววิทยาศาสตร์ก็เก่งเขียนตำลาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาพิมพ์ขายนี่จมพลังเขาชมว่าคนไทยเก่ง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคนไทยเก่งวิทยาศาสตร์ทําอะไรขายก็ไม่ได้ขนาดวิทยุเค่องเล็กๆยังอุตส่าห์ซื้อจากญี่ปุ่นไม้จีบฟันก็ซื้อจากออสเตรเลียขนาดไม้จีบฟันก็สู้จากออสเตเรเลี ย, นนเเยทั้งๆที่ไม้ลายอยู่ในบ้านเราเนี่มีเยอะแยะสมเด็ไปไม่มีปัญญาที่จะทําพราะคนไทยเรามีแต่ความรู้แต่การทํามันทําไม่เส็จ นี่มันมาเสียันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นชันนับรอว่าคุณเก่งเก๋ทำทีสาจะานักของคุณนี่เก่งเก่งยอกทีเดียวหากความไม่เฉกข้าขนาดฉันเนี่ยจำนนกับรวมบาดพักของคุณอย่างแน่นอนแต่นี่ยฉันต้องรู้ตัวว่าฉันได้ศึกษามาทุกด้านทุกมุมและศึกษามาด้ว ย, ยจิตด้วยใจใจของชัน้นเคยสัมผัสความจริงมาแล้วนับครั้งในตัว ฉันจึงมีปัญญาพอที่จะโต้ตอบคาลุมต้องคุณมได้แบบแต่อย่างธรรมดาธรรมราตา่ตางกลต่างแบบธำรามาว่ากันแล้วฉันสู้คุณมได้หรือรับรองว่าฉันสู้กลุ่มได้ ผมก็เลยบอกว่านักพิสูจศาสนาพิสเขาบอกพิสูจนไปแค่สวรรค์ถ้าหากว่าพระเป็นเจ้าของคุณนั่นจะเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเขารู้จริงเห็นจริงเพียงแค่สวรรค์แล้วคูดกล่าวว่าในเมื่อ่องเองผู้นับถือพระพู้เป็นเจ้าได้ลองเองดำลงไปในน้ําตู่ขึ้นมา แล้วก็ผู้ที่เป็นนักบวชอมอไปแตะศีระผู้นั้นเป็นอันบาปตนบาเหลวไหลว่าเหลวไหลผู้นั้นคนอินเดียยังนับถืออยู่ว่าแม่น้ำในแม่น้ำคงคาเป็นแม่นม้ศักดิ์สิทธิ์ใได้กิ น, นได้อาบแม่ตุ๊กตะล a กก่อนน้ำทิศสะโพตาราอ่ะะโพทานสโพทาม เขาพากันไปแย่งอาบ ก, กันถือว่าน้ํานี่มันไหลผ่านเมืองสวรรค์มาใครอาบแล้วไปตกในร่มซึ่งสวรรค์แขกมันก็ไปอาบ ก, กันเต็มแม้แต่นในเมืองใทยนี่เขาก็ยังถือว่าคนที่ไม่กินเนื้อกินหนังเป็นผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบไม่มีกิเลสโอ้เรามีผู้พิเศษมาเป็นเจดังเดิมแล้ววัวป้ายมันไม่เคยกินเนื้อกินหนังสักที เราได้สาณะที่คุ้มมาก่อนคุณอีกอเราได้สราระที่คุ้มจริงๆเมื่อก่อนนิ้วไฟมันไข้หนาบวมเตรียมกินช่วยชีวิตเรามาแต่งระะ่วยโบราณแล้วแต่มาเวลานี้วิทยาศาสตร์มันจเจริญสร้างรถสร้างราสร้างเรือบินขึ้นมาสร้างเรือร่อยน้ําขึ้นมาเราก็เลยเป็นอันนีเ้เราคุณต่อวัวไฟทั้งหลายเราถือว่าเป็นสัตว์ไมวิเศษก็ไข่เหล็ก ไฟไนี่มันก็เกิดขึ้นมามากไฟกินยามันก็เลยน้อยลงไฟกินาก้าเดี๋ยวนี้อย่างดีเขาขี้อะไเป็นปุ๋ยแล้วก็เนื้อหนังมันก็เป็นอาหารของมนุษย์เท่านั้ น, นคุณค่าของมันเพราะงั้นคนไม่กินเนื้อกิก น, น, น, กนหนังกินปัดอะไรพวกวนี้เป็นผู้วิเศษวัวไฟมันวิเศษมาก่อนคนพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้น คนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงและไม่ยอมพิสูจน์ความจริงด้วยจิตใจมันยังได้ถูกเขียนกับใะไรเชื่อถรืออะไรก็ว่าสิ่งนั้นมันดีมันถูกต้องแต่ที่แน่ๆที่สุดก็คือว่าสิ่งใดที่เราสัมผัสโดยจิตสามารถแก้ไขปัญหาในจิตในใจของเราให้เราอยู่ได้สบายในสังคมอยู่โดยวามสงบเรือกเย็นในสังคมบ้านในขั้นตอนนี้เราก็นับว่าเราได้ทิพยได้ ด, ดี เราสามารถที่จะทำจิตของเราให้ยอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ไง่ายหรือจงกระท่างทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดบรรลุคุณธรรมีนโสดาสกีทาคาราคาอาหารได้ก็ยิ่งพิเศษลักนาสสำหรับันนี้ก็สมควนเลยต้งต่อ